เิสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อจากนี้ไปเรามาสดับรับฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้สอนแก่พระพิสุไว้ว่าเธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดเธอทั้งหลายจะได้ประโยชน์อะไรด้วยความหลับเพราะความหลับจะเป็นประโยชน์อะไรแก่เธอทั้งหลาย ผู้เล่าร้อนด้วยโรคคือกิเลสมีประการต่างๆถูกลูกสอนคือลาคะเป็นต้นเสียดแทงแล้วย่อยยับอยู่เธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดจนมันศึกษาเพื่อสันติเถิดมัจจุราชอย่ารู้ว่าเธอทั้งหลายประมาทแล้วยังเธอทั้งหลายผู้ตกอยู่ในอำนาจให้รุ่มหลงเลย ท่านจงลุกขึ้นเถิดภิกษุท่านจะต้องการอะไรด้วยความหลับท่านผู้เลาร้อนด้วยกิเลสอันลูกสอนคือตัณหาเสียบแ่งริ้นลนอยู่จะมัวหลับมีประโยชน์อะไรท่านออกจากเรือนบวช ด, ด้วยความเป็นผู้ไม่มีเรือนด้วยศรัทธาใดท่านจงเพิ่มพูลสัทธานั้นเถิดอย่าไปสู่อำนาจของความหลับเลย ก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่แลงเห็นธรรมอื่นอย่างหนึง่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความเป็นผู้เกลียดค้านดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเกลียดค้าแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป ท่านจงยกตนของท่านขึ้นจากความเปรียดค้านเหมือนช่างสอนยกลูกสอนขึ้นดัดฉันนั้นท่านจงทำจิตให้ตรงแล้วทำลายอาวิชชาเสียนรชนใดมีจิตไม่ท้อถอยมีจิตไม่หดหูเจริญกุศลธรรมเพื่อบรุธรรม อันเป็นแดนเกษมจากโยคะนอรชนนั้นพึงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นสังโยชน์ทั้งปวงได้โดยลำดับบุคคลไม่ควรคํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึง กบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมะนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมะนั้นนั้นเนืองเนืองให้ปรุโปร่งเถิดพึงทำความเพียรในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้วันตายในวันพรุ่งเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมั จ, จุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบ ย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกลียดข้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหลว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ คนโง่เขามัวแต่นอนหลับตลอดทั้งคืนและคลุกคลีอยู่กับหมู่ชนตลอดทั้งวันเมื่อไรจะทาที่สุดทุกข์ได้เล่าการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ร่ำไปท่านทั้งหลายจงปรารบความเพียรจงก้าวออกไปจงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนาจงกำจัดเสนาแห่งมัจจุราชเสียเหมือนกุญชรหักไม้อ้อฉนั้นผู้ใด จากเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจะกระชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกได้ท่านทั้งหลายจงริเริ่ม จงก้าวหน้าจงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนาจงกำจัดเสนาแห่งมัจุราชเหมือนช้างกำจัดเรือนไม้อ้อฉะนั้นผู้ใดจะไม่ประมาทในพระธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจกละสงสารคือชาติแล้วกระทาที่สุดแห่งทุกได้ ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทากุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าเมื่ออาทิตย์ขึ้นมาย่อมแห้งหายไปได้เร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใด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 พัดไปซึ่งสิ่งที่พอจะพัดไปได้ไม่มีระยะเวลาหรือชั่วครู่ที่มันจะหยุดแต่ที่แท้แม่น้ำนั้นมีแต่ไหลเรื่อยไปถ่ายเดียวแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาฉันนั้นเหมือนกันบุรุษที่กำลังอมก้อนเขละไว้ที่ปลายลิ้น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 จะไม่ตายไม่มีอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนักจำต้องไปสู่สัมปรายภพควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์ สัตผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนที่เป็นอยู่นานย่อมเป็นอยู่ได้เพียงร้อยปีหรือจะอยู่เกินได้บ้างก็มีน้อยอายุของมนุษย์ทั้งหลายน้อยคนดีควรดูหมิ่นอายุนั้นเสียควรประพฤติดุจคนที่ถูกไฟไหม้บนศีรษะแค่นั้น การที่จะไม่มาแห่งมัจจุราชไม่มีเลย ทั้งหลายจงดูล่างกายอันกระสับกระส่ายไม่สะอาดเปื่อยเน่านี้จงอบรมจิตให้ตั้งมั่นด้วยดีมีอารมณ์เป็นหนึ่งด้วยอสุภสัญญาล่างกายนี้ฉันใดล่างกายของท่านก็ฉันนั้นล่างกายของท่านฉันใดล่างกายนี้ก็ฉันนั้นล่างกายเป็นของเน่าเปือ่อยมีกลิ่นเหม็นพุ้งไป อันพวกชนพานปรารถนากันยิ่งนักแม้ท่านพิจารณาร่างกายนี้อย่างนี้ไม่เกลียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนแทงตลอดแล้วจักเห็นด้วยปัญญาของตนได้เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทค้นคว้าอยู่โดยอุบายอันแยบคายจึงเห็นกายนี้ทั้งภายในและภายนอกตามความเป็นจริงที่นั้น เราจึงเบื่อหน่ายในกายแลกคลายความกำหนัดในภายในเป็นผู้ไม่ประมาทไม่เกาะเกี่ยวในสิ่งอะไรเป็นผู้สงบระงับดับสนิทแล้วร่างกายนี้เต็มไปด้วยของอากูลและของอันเป็นมลทินต่างๆมีหลุมคูดใหญ่ เป็นที่เกิดเป็นดุดบ่อน้ำคลำอันมีมานานเป็นดุดฝีใหญ่เป็นดุดแผลให ญ, เใหญ่เต็มไปด้วยหนองและเลือดเต็มไปด้วยหลุมคูดมีน้ำไหลออกเป็นนิดมีของเน่าไหลออกทุกเมื่อกายอันเปื่อยเน่า น, านี้รัดตึงด้วยเอ็นใหญ่หกสิบเส้นฉาบทาด้วยเครื่องฉาบทาคือเนื้อหุ้มห่อด้วยเสือ้อ คือหนังเป็นของหาประโยชน์ไม่ได้เป็นของสืบต่อกันด้วยร่างกระดูกเกี่ยวร้อยด้วยได้คือเส้นเอ็นเปลี่ยนอิริยาบถได้เพราะมีเครื่องประกอบพร้อมสัตว์สองเท้านี้ เป็นสัตว์ไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเต็มไปด้วยซากศพต่างๆมีของโสโครกไหลออกทั่วกายต้องบริหารอยู่เป็นนิดท่านจงดูร่างกายอันกระสับกระส่ายไม่สะอาดเป็นของเปื่อยเน่ามีของโสโครกไหลเข้าไหลออกอยู่อันหมูคนพานพากันชื่นชมยิ่งนักร่างกายนี้เป็นของเน่าเปื่อย ไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปเป็นของน่ากลัวตัวเป็นดุดกระสอบหนังอันเต็มไปด้วยซากศพเต็มไปด้วยของไม่สะอาดไร่ออกอยู่เนืองเนืองร่างกายนี้เป็นดุดซากศพอันปฏิกูลอย่างยิ่งฉาพาไว้ด้วยเนื้อและเลือดเป็นที่อยู่แห่งหมูลนอนและเยื่อเลือดกายนี้ไม่นานนัก มีวิญญาณไปปราศจากแล้วอันหมู่ญาติเกลียดอยู่ย่อมทิ้งโถมป่าช้าเหมือนท่อนไม้ฉะนั้นมาดาบิดาของตนยังเกลียดพากันนำเอาซากศพนั้นไปทิ้งเป็นเหยื่อของสัตว์อื่นในป่าช้าแล้วกลับไปอาบน้ำจะกล่าวไปใหญถึงประชุมชนทั่วไปชนทั้งหลายยินดีแล้วในกายอันเน่าเปื่อยเป็นซากศพ ไม่มีแก่นสารอันมีกระดูกมีเอ็นเป็นเครื่องผูกรัดเต็มไปด้วยน้ำลายน้ำตาและเงื่อใครผู้ใดมาแยกกายนั้นทำให้เห็นทั้งภายในและภายนอกผู้นั้นไม่อาจทนต่อกลิ่นกายได้แม้มารดาของตนจะพึงเกลียดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวไว้โดยอุบายอันแยบขายว่าขันธาต และอายตนะอันปัจจัยปรุงแต่งมีชาติเป็นมูลเหตุเป็นทุกข์ไม่น่าชอบใจเราติเตียนร่างกายอันเต็มไปด้วยของน่าเกลียดมีกลิ่นเหม็นเป็นฝักฝ่ายแห่งมารชุ่มไปด้วยกิเลส มีช่องเก้าช่องเป็นที่ไหลออกแห่งของไม่สะอาดเป็นนิดเชิญท่านดูร่างกายอันมีกระดูกสามร้อยท่อนซึ่งมีเอ็นใหญ่น้อยผูกขึ้นเป็นโครงตั้งไว้อันบุญกรรมตกแต่งให้วิจิตมีแผลทั่วทุกแห่งกระสับกระสายคนโง่เขลาพากันดำริเป็นอันมากไม่มีความยั่งยืนตั้งมั่น กายประกอบแล้วด้วยกระดูกและเอ็นชาาด้วยหนังและเนื้อปกปิดด้วยผิวเต็มด้วยไส้อาหารมีก้อนตับมูดหัวใจปอด ม, ม้ามไตน้ำมูกน้ำลายเหงือ่อมันค้นเลือดไขข้อดีเปลวมันอันปูชจุชนผู้เป็น่านย่อไม่เห็นตามความเป็นจริง อันหนึ่งของอันไม่สะอาดย่อมไหลออกจากช่องทั้งก้าของกายนี้ทุกเมื่อคือขี้ตาจากตาขี้หูจากหูและน้ำมูกจากตมูกบางคราวย่อมสำรอกออกจากปากดีและเสลทย่อมสำรอกออกเหงื่อและนองฝีซึมออกจากล่างกายอันหนึ่ง อวัยวะเบื้องสูงของร่างกายนี้เป็นโพรงเต็มไปด้วยมันสมองคนพาลถูกอวิชชาหุ้มห่อแล้วย่อมสาคัญกายนั้นโดยความเป็นของสวยงามก็เมื่อใดเขาตายขึ้นพองมีสีเขียวถูกทิ้งไว้ในป่าเมื่อนั้นญาติทั้งหลายย่อมไม่ห่วงใยสุนักบ้านสุนักจิ้งจอกหมาป่าหมูนอน กาแล้งและสัตว์เหล่าอื่นย่อมกัดกินกายนั้นภิกษุในศาสนานี้ได้ฟังพระพุทธพจน์แล้วมีความรู้ชัดเธอย่อมกำหนดรู้กายนี้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงทีเดียวสรีระมีวิญญาณ น, นี้เหมือนสรีระที่ตายแล้วนั่นสรีระที่ตายแล้วนั่นเหมือนสรีระที่มีวิญญาณ น, นี้ภิกษุ พึงคลายความพอใจในกายเสียทั้งภายในและภายนอกภิกษุนั้นมีความรู้ชัดในศาสนานี้ไม่ยินดีแล้วด้วยฉันทลาคะได้บรรุอมรุตบทสงบดับไม่จุติกายนี้มีสองเท้าไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นอันบุคคลบริหารอยู่เต็มไปด้วยซากศพต่างๆ ถายของไม่สะอาดมีน้ำลายและน้ำมูกเป็นต้นให้ไหลออกจากทวารทั้ง9ก้าและขับเหงื่อใครให้ไหลออกจากขุมขนนั้นๆผู้ใดพึงสำคัญเพื่อยกย่องตัวหรือพึงดูหมิ่นผู้อื่นจะมีอะไรนอกจากการไม่เห็นอริยสัจ เธอจงพิจารณาอัตภาพอันกระดูกสามร้อยท่อนยกขึ้นแล้วอันกระสับกระส่ายไม่สะอาดเป็นของเปื่อยเนา่าจงอบรมจิตให้ตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวด้วยอสุภาภาวนาอันหนึ่งเธอจงอบรมจิตให้หานิมิตมิได้และบรรเทาซึ่งอนุสัยคือมานะเพราะการละมานะเสียได้แต่นั้น จากเป็นผู้สงบเที่ยวไปท่านจงพิจารณากายนี้อันไม่สะอาดเปื่อยเน่ามีกลิ่นเหม็นเบื้องต้นตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมาเราพิจารณาอยู่อย่างนี้ถอนราคาทั้งปวงได้แล้วตัดความเร่าร้อนขาดแล้วเป็นผู้มีใจเย็นดับสนิทแล้ว คิเวสนะก็กายนี้มีรูปเป็นที่ประชุมมหาพูดทั้งสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบและขัดสีกันเป็นนิดมีความแตกประจัดกระจายเป็นธรรมดาท่านควรพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโลกเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกสอนเป็นความลาบาก เป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของสุดโสมเป็นของว่างเปล่าเป็นของมิค่ตนเมื่อท่านพิจารณาเห็นกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโลกเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลาบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของสุดโสมเป็นของว่างเปล่า เป็นของไม่ใช่ตนอยู่ท่านยอมละความพอใจในกายความเยื่อใยในกายความเป็นอยู่ในอำนาจของกายในกายได้จงมาดูอัตภาพอันวิจิตมีกายเป็นแผลอันคุ้มกันอยู่แล้วกระสับกระส่ายเป็นที่ดมริของชนเป็นอันมากไม่มีความยั่งยืนมั่นคงจงมาดูรูปอันวิจิต ด้วยแก้วมณีและกุลทนมีกระดูกอันหนังหุ้มห่อไว้งามพร้อมด้วยผ้าเท้าที่ย้อมด้วยสีแดงสดหน้าที่ไร้ด้วยจุนพอที่จะหลอกคนโง่ให้หลงได้แต่จะหลอกคนผู้สแสวงหาฝั่งคือนิพพานนั้นไม่ได้ผมที่แต่งงามตาที่เยิ้มด้วยยาหยอดกายเน่า อันประดับด้วยเครื่องอลังการประดุษธนานยาหยอดอันใหม่วิจิตพอจะหลอกคนโง่ให้หลงได้แต่จะหลอกคนผู้สแสวงหาฝั่งคือนิพพานนั้นไม่ได้ท่านเป็นดั่งพลาเนื้อวางบ่วงไว้แต่เนื้อไม่ติดบ่วงเมื่อพลาเนื้อกำลังคล่ำครวนอยู่เรากินแต่อาหารแล้วก็ไป น, นราชนผู้ยังคลุกคลีอยู่ในกามคุณเป็นผู้ตระเตรียมไปสู่ความตายเป็นนิดเป็นผู้ตั้งอยู่ในที่ใกล้มัจจุราชจะต้องทิ้งร่างกายไว้ในโรคนี้เองกายอันอวิชาหุ้มห่อแล้วผูกรัดด้วยเครื่องผูกสี่ประการจมอยู่ในห่วงน้ำคือกิเลสปกคลุมไว้ด้วยข่ายคือกิเลสอันนอนเนื่องอยู่ในสันดาน ประกอบแล้วในนิวรณห้าเปรียบพร้อมด้วยวิตกประกอบด้วยรากเง่าแห่งพบคือตัณหาปกปิดด้วยเครื่องปกปิดคือโมหะหมุนไปด้วยเครื่องหมุนคือกรรมร่างกายนี้ย่อมมีสมบัติกับวิบัติเป็นของคู่กันมีความเป็นต่างๆเป็นธรรมดาปุถุชนคนพานเหล่าใดมายึดถือร่างกายนี้ว่า เป็นของเราย่อมยังสงสารอันน่ากลัวให้เจริญปุถุชนเหล่านั้นย่อมถือเอาพบใหม่อีกกุลบุตรผู้เป็นบัณฑิตเหล่าใดละเว้นร่างกายนี้อันฉาบ พ, พาแล้วด้วยคูดดังบุรุษผู้ประสงค์ความสุขอยากมีชีวิตอยู่เห็นอสารพิษแล้วหลีกหนีไปฉะนั้นกุลบุตรเหล่านั้นละอวิชาอันเป็นลากเง่าแห่งพบแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะจากนิพพานความพอใจในเมถุนธรรมไม่ได้มีแกเ่เราเพราะได้เห็นนางตันหานางอรารดีและนางลาคาเลย ความพอใจในเมถุนธรรมอย่างไรจกมีเพราะได้เห็นสรีละแห่งทิดาของท่านอันเต็มไปด้วยมูดและคูดเล่าเราไม่ปาถนาจะถูกต้องอิสระแห่งทิดาของท่านนั้นแม้ด้วยเท้าเราติเตียนกระท่อมคือสรีละอันสำเร็จด้วยโครงกระดูกอันฉาบพาด้วยเนื้อร้อยลัดด้วยเส้นเอ็นเต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดที่คนทั่วๆไปเข้าใจว่าเป็นของผู้อื่นและเป็นของตนในร่างกายของเธอเช่นกับถุงอันเต็มไปด้วยคูดมีหนังหุ้มห่อปกปิดไว้เหมือนนางปีศาจมีฝีที่อกมีช่องก้าช่องเป็นที่ไหลออกเนืองนิดภิกษุควรละเว้นสรีระของเธออันมีช่องก้าช่องเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็น ดังชายหนุ่มผู้ชอบสะอาดหลีกเลี่ยงมูดคูดไปจนห่างไกลฉะนั้นหากว่าคนพึงรู้จักสรีระของเธอเช่นเดียวกับฉันรู้จักก็จะพากันหลบหนีเธอไปเสียห่างไกลเหมือนบุคคลผู้ชอบสะอาดเห็นหลุมคูดในฤดูฝนแล้วหลีกเลี่ยงไปเสียห่างไกลฉะนั้น กามทั้งหลายมีความพอใจน้อยทุกอื่นยิ่งกว่ากามไม่มีชนเหล่าใดส่องเสพกามทั้งหลายชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกเหมือนดาบที่รับคมดีแล้วเชื่อดเหมือนกระบี่ที่ขัดดีแล้วแทงเหมือนหอกที่พุ่งปากอกต้องเจ็บปวดปราณใดกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้น ลุ้ม่านเพลิงลุกโพรงแล้วลึกกว่าชั่วบุรุษฐานที่เผาร้อนอยู่ตลอดวันร้อนปานใดกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นเหมือนยาพิษ ช, ชนิดหลายแรงน้ำมันที่เดือดพล่านทองแดงที่กําลังละลายคว้างร้อนปานใดกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้น การทั้งหลายเป็นศัตรูเป็นผู้ฆ่าเป็นฆ่าศึกเป็นดุดลูกศรเป็นเครื่องจองจำเป็นดุดเพชฌฆาตอุปมาด้วยกองไฟเป็นทุกกามนี้เป็นของไม่บริสุทธิ์มีภัยเป็นไปด้วยกับความคับแค้นเป็นเสี้ยนหนามเป็นเหตุให้กำหนัดไม่เรียบร้อยมีกังวลมาก เป็นทางแห่งความรุ่มหลงใหญ่เป็นเหตุให้ขัดข้องและเป็นของน่ากลัวพิลึกเปรียบด้วยหัวงูเห่าปุทุชนผู้โง่เขลามืดมนเหล่าใดย่อมเพลิดเพลินต่อกามเหล่านั้นปุตุชนเหล่านั้นเป็นอันมากข้องอยู่แล้วด้วยเครื่องข้องคือกามก็ไม่รู้สึกในโลกย่อมไม่รู้จักความ สิ้นสุดแห่งความเกิดและความตายมนุษย์เป็นอันมากพากันดำเนินไปตามทางเป็นที่ไปสู่ทุกขตินำโลกมาให้แก่ตนร้วนแต่มีการเป็นเหตุการมทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดฆ่าศึกศัตรูเลือดร้อนนำมาซึ่งความเศร้าหมองเป็นเหยื่อในโรคเป็นเครื่องจองจำเกี่ยวเนื่องด้วยความตายการทั้งหลาย เป็นเหตุให้บ้าให้บนเพอให้จิดมัวเมาเป็นของอันมานดักไว้เพื่อความพินาศของหมูสัตว์เรวพลันกรรมทั้งหลายมีโทษหาที่สุดไม่ได้มีทุกมากมีพิษมากมีความพอใจน้อยเป็นบ่อกเกิดแห่งการรบราฆ่าฟันกันเป็นเหตุให้ทำฝ่ายขาวเหือดแห้งไป จงพยายามตัดกระแสแห่งตันหาจงบรรเทากามเสียเถิดพราหมูม่นีไม่ละกามย่อมไม่เข้าถึงความที่จิตแน่วแน่ได้